าการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องเหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นผ่าระหันได้ซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอดีตอาจารย์ผู้บรรยายวิชาธรรมประยุกต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหนังสือเรื่องนี้เกิดจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้า ในหัวข้อเรื่องดังกล่าวทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักศึกษาธรรมทั่วไปอาจารย์พรจึงได้พยายามค้นคว้าหาหลักฐานมาประกอบการอธิบายในเรื่องนี้อย่างละเอียดและกว้างขวางดังปรากฏในคำนำและคำปรารกของอาจารย์ดังต่อไปนี้คำนำหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นด้วยความเคารพในพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้วยพระบารมีโลนกล่าวจึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตลอดเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้มีจิตใจปอดตรงคำตอบหรือคำวินิจฉัยบางอย่างข้าพเจ้าไม่เคยรู้และไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่แล้วในระหว่างที่กาลังเขียนนั่นเอง ข้าพเจ้าก็นึกขึ้นมาได้ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้คล้ายกับจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างมาดนใจอยู่เบื้องหลังฉะนั้นถ้าหากท่านผู้อ่านจะพึงรู้สึกว่าคําตอบในหนังสือเล่มนี้ให้ความกระจ่างต่อพระราชปุจฉาข้อนี้บ้างก็ขอได้โปรดเข้าใจว่า เป็นด้วยพระบรารมีล้นเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังแรงอันสำคัญเพราะพระราชปุชฉาข้อนี้รวมทั้งพระราชปรารลข้ออื่นๆอีกที่ทรงประทานมาในคราวเดียวกันนี้รู้สึกประทับใจข้าพเจ้าทุกคำสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ส่งชี้ช่องทางในอันที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาไว้แล้วจากพระราชปรารพและพระราชปุชฉาครั้งนี้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสนใจเป็นพิเศษและพยายามเขียนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พรรตนาสุวรรณคำปรารพ ก่อนวันเข้าพรรษาในปี 2,508 นห้ารนี้ทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปราลบถึงปัญหาทางศ า, ศาสนาหลายข้อและได้ทรงฝากปัญหาเหล่านี้ผ่านมาทางศูนย์คน้นคว้าทางพระพุทธศาสนาวัดสเกตให้ชาวพุทธทั่ ว, วไปช่วยกันขบคิดในปัญหาเหล่านั้น มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าสนใจมากคือปัญหาที่พระองค์ทรงปรารบว่าเหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระราหันได้ปัญหาข้อนี้แม้จะไม่บ่งถึงเรื่องของภูมิคุริมาณโดยตรงก็จริงเพราะตามเรื่องที่ปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนานั้นคนที่อดีตเคยเป็นโจรฆ่าคนตายแล้ว ต่อมาภายหลังกลับใจได้ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและในที่สุดได้สําเร็จเป็นพระรหารนานมีหลายคนแต่ถึงกระนั้นบรรดาโจรที่ได้สําเร็จเป็นพระราหานานปรากฏว่าไม่มีโจรคนไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและฆ่าคนมามากมายเท่ากับพระองค์คุริมานเพราะฉะนั้น เรื่องของพระองคุริมานจึงได้กลายเป็นปัญหามานานแล้วและเป็นปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูเหมือนจะทุกพระองค์ทรงสนพระทัยซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้จากพระราชปุตรฉาในรัชกาลที่หนึ่งแห่งรัตนโกศิลดังต่อไปนี้พระราชปุจรฉาที่สามสิบสองความว่ามันดาพระคาะสาวก พระสีติสาวกและพระปกติสาวกย่อมสร้างบารมีมาจนสำเร็จอรหัตช้าเร็วกว่ากันตามกาหนดแต่กิริยาอารมณ์ก็เป็นปกติไม่ได้ปรากฏว่าหยากช้าประการใดแต่พระองคุริมานนั้นเกิดในชาติใดๆก็ล้วนแต่ปรากฏว่าใจบาปหยาบช้าทำปานาธิบาตโดยมาก จนมาในชาติที่สุดจะได้สําเร็จเป็นพระรหัสอยู่แล้วก็ยังเป็นโจรฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากเมื่อเป็นดังนี้ที่ว่าพระองคุริมาสร้างบา ร, รมีแสนกับนั้นจะว่าเป็นบา ร, รมีอย่างไรเอาสิ่งใดมานับเป็นแสนกับบา ร, รมีแก้พระราชปุจฉาที่ 32, สาสองสมเด็จพระสังฆราชและพระราชคณะแปดรูป ถวายวิสัชนาว่าพลังคุริมานี้จำเดิมแต่สร้างบารมีมาไม่ว่าชาติใดปรากฏว่าได้กระทํากรรมอันเป็นบาปหยาบช้าข้ามนุษย์ทำปานาธิบาตก็จริงแต่คําอันเป็นบาปนั้นก็ให้ผลไปทนทุกข์ในบะยภูมิจนสิ้นบาปกรรมและที่ทําบาปหยาบช้าในชาติใด ชาตินั้นจะไม่นับจัดเอาเป็นขาดบา ร, รมีหามิได้อันหนึ่งพร่างคุริมารจะได้หยาบช้าไปทั้งชาตินั้นหามิได้ย่อมได้พบพระโพธิสัตว์ได้ฟังเทศนาได้ละพยร้ายตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดเป็นสุจริตธรรมอันดีนับเป็นบา ร, รมีสืบมาและการจะกําหนดบา ร, รมีแสงกลับนั้น ไม่ได้นับเอาการที่คนทำบุญทำบาปมากกว่ากันในชาตินั้นเป็นประมาณนับเอาการอาแสนได้แสนกลับเป็นประมาณถ้าสร้างบารมีครบแสนกลับแล้วก็ได้สำเร็จอรหัสนิพพานทุกองค์และผู้สร้างบารมีที่จะสำเร็จนั้นประกอบด้วยองค์สองคือฉันทตาปรารถนารักใคร่พอใจในอรหัตตะภูมิหนึ่ง อธิกาโรการทำบุญให้ทานการกุศลในสำนักภริยาเจ้าหนึ่งเมื่อพร้อมด้วยองค์สองนี้แล้วหากจะประมาทหยาบช้าเมื่อมีผู้ให้สติอารมณ์แล้วก็ย่อมกลับตัวได้ดีกว่าสามัญชนคำตอบของพระเถระผู้แตกฉานในพระตไตรปิฎกสมัยโบราณดังที่คาดลอกมาให้ดูนี้ แม้ว่าจะเป็นคําตอบเพียงสั้นๆแต่ก็ได้ใจความชัดเจนเหมาะสมกับปัญหาทุกประการในสมัยโบราณใครๆที่ได้เห็นคําตอบนี้แล้วก็คงจะหมดปัญหาไม่มีใครสงสัยติดใจที่จะหาคําตอบอย่างอื่นอีกแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนในสมัยปัจจุบันถ้าได้เห็นคาตอบเพียงแค่นี้ ก็เห็นทีจะยากในอันที่จะทําให้เกิดความปร่งใจเชื่อเพราะพื้นความรู้และสิ่งแวดล้อมของคนในสมัยโนนแตกต่างกันมากด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าถ้าหากในปัจจุบันนี้จะได้มีการชี้แจงกันอีกเพื่อให้เหมาะกับพื้นสติปัญญาของคนในสมัยปัจจุบันก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อย และได้ชื่อว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธได้มีความสนใจอย่างแท้จริงต่อปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทยแต่อย่างไรก็ดีคำตอบที่พระเจ้าเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ขอให้ถือว่าเป็นเพียงการขยายความที่สมเด็จพระสังฆราชและพระเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ที่บายไว เท่าที่กำลังสติปัญญาของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้เท่านั้นพรรัตนสุวรรณ เด็ผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระราหันได้คนที่เคยเป็นโจรฆ่าคนตายมามากต่อมากต่อมาภายหลังเมื่อกลับใจได้แล้วได้สําเร็จเป็นพระราหารันตามที่มีเรื่องปรากฏอยู่ในคำภีร์นั้นมีอยู่หลายคนแต่ในจํานวนโจรเหล่านี้ผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือพระองค์คุริมาน และนอกจากนี้บางคนที่ไม่ได้เป็นโจรแต่ก็เคยฆ่าคนตายด้วยความจำเป็นบางอย่างและในที่สุดได้สาเร็จเป็นพระราหันก็มีเช่นนางกุณธนเกสีจากตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าคนที่ฆ่าคนตายซึ่งแสดงเห็นว่าเป็นคนใจอธมหิตไม่น่าจะสาเร็จเป็นพระรหัน ตทำไมจึงสาเร็จเป็นพระราหันได้ตัวอย่างเช่นนี้เมื่อมองจากแง่ความรู้สึกของคนทั่วๆไปไม่น่าจะเป็นไปได้เลยปัญหานี้น่าคิดมากและเป็นปัญหาข้อหนึ่งซึ่งในหลวงองค์ปัจจุบันทรงสนพระไทยถึงกับทรงฝากปัญหานี้มาให้ชาวพุทธทั่วๆไปช่วยกันคิดหาคำตอบข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าเราคลี่คลายปัญหานี้ให้กระจ่างได้ก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสมัยปัจจุบันนี้เป็นอันมากผู้ร้ายฆ่าคนตายขนาดพระองคุริมานยังสามารถเป็นพระราหันได้ก็คนบางคนในสมัยปัจจุบันซึ่งไม่เคยทำความชั่วถึงขนาดนั้นจะไม่สามารถสำเร็จเป็นพระรหันได้บ้างหรือหรืออย่างน้อยที่สุด จะไม่สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้หรือถ้าหากเข้าพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าผู้ร้ายที่เคยฆ่าคนตายแล้วต่อมาสาเร็จเป็นพระาราหันนั้นเท่าที่ปรากฏอยู่ในคำพีมีไม่กี่คน ผู้ร้ายอื่นๆมีอยู่มากมายในสมัยนั้นทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็ยังทรงพระชนอยู่พระหรหันทั้งหลายก็มีอยู่มากแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ร้ายทั้งหลายเหล่านั้นสําเร็จเป็นพระหรหันขึ้นมาได้บางคนทําปาณาจิบาดไม่ถึงขั้นฆ่ามนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่เสด็จไปโปรดเพราะเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะกลับใจ และฟังทำรู้เรื่องได้เพราะฉะนั้นขอได้โปรดสังเกตไว้ว่าผู้ร้ายฆ่าคนตายแต่แล้วก็สามารถจะเป็นผ้าละหันได้นั้นจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังซึ่งแตกต่างจากผู้ร้ายทั่วๆไปเบื้องหลังของผู้ร้ายที่สําเร็จเป็นผ้าละหันคืออะไรนี่แหละคือจุดสําคัญของปัญหาที่เราจะต้องคลี่คลายออกมา ก่อนอื่นขอให้ท่านโปรดจําหลักไว้อย่างหนึ่งว่าบุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นตามหลักในคำภีร์กล่าวว่าจะไม่สามารถมีเหตุการณ์ใดๆที่จะทําให้คนนั้นตายก่อนสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยถ้าองค์คุลิมาลฆ่าคนมามากมายน่าจะมีใครสักคนหนึ่งฆ่าพระองค์คุลิมาลได้ ตามที่อาจารย์คาดหมายไว้แต่แรกพระโดยธรรมดาคนที่เที่ยวฆ่าใครต่อใครอย่างผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นจะไม่สามารถทำอยู่ได้นานไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องถูกเขาฆ่าว่าแต่สำหรับในกรณีของพระองคกลิมานเป็นเรื่องที่ประหลาดมากตัวคนเดียวนี่กล่าวตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคำภี เขาไดไปดกฝ่ายเทราวาสซึ่งกล่าวว่าพราะองค์คุริมานคนเดียวเข้าป่าฆ่าคนส่วนเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือการมนิษ์กล่าวว่าองค์คุริมานมีพรรคพวกมากแต่สามารถฆ่าคนได้ตั้งพันกว่าก่อนที่จะนับนิ้วของคนตายได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วนั้นก็ได้ฆ่าคนมามากต่อมากแล้ว แต่จำจำนวนคนที่ฆ่าไม่ได้จึงตั้งต้นนับใหม่ด้วยการฆ่าใครแล้วก็ตัดนิ้วมือของผูนั้นมาหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงไว้ไม่มีใครสามารถฆ่าองคุริมานได้นางกุลทนเกสีซึ่งต่อมาได้บวชเป็นนางพิษุนีและได้สําเร็จเป็นพระาราหันได้สามีเป็นโจร สามีลวงพาตัวขึ้นไปบนภูเขาหมายจะฆ่าเพื่อเอาสมบัติที่ติดตัวนางไปนางกุลทนเกษีไม่มีอาวุธอยู่ในมือเลยและก็อยู่กันลำพังเพียงสองคนเท่านั้นซึ่งน่าจะถูกฆ่าตายแต่แล้วก็ไม่ตายนายโจรกลับเป็นผู้ต้องตายด้วยการกระทำของนางเองตัวอย่างในทำานองอย่างนี้ มีหลายเรื่องปรากฏอยู่ในคำภีร์เช่นสังกิต จ, จา่าสัมมเดณซึ่งเป็นพระรหันต์องค์หนึ่งแม่ของท่านได้ตายในระหว่างที่ท่านกําลังอยู่ในท้องใครๆก็พากันคิดว่าท่านคงจะตายไปพร้อมกับแม่ของท่านแต่แล้วก็ไม่ตายพระพากุละซึ่งเป็นพระรหันต์องค์หนึ่งที่รวมอยู่ในจํานวนพระอสีติมหาสาวก ตามประวัติของท่านกล่าวว่าเมื่อท่านคลอดมาได้ห้าวันพ่อแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อความเป็นสิริมงคลในขณะที่กำลังเอาตัวท่านลงแช่ในน้ำก็ได้มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งมาคุบเอาตัวท่านเข้าไปอยู่ในท้องตั้งหลายชั่วโมงแต่แล้วในที่สุดท่านก็ไม่ตาย เรื่องที่ผิดธรรมดาเช่นนี้เขาพระเจ้าเชื่อว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึง้งไม่เข้าใจเรื่องชะตาชีวิตไม่เข้าใจถึงอํานาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมเชื่อเป็นอานขาดเข้าใจคิดเห็นอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระหรหันได้ ปัญหาข้อนี้น่าจะเข้าใจได้ดีก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจซก่อนว่าชะตาชีวิตคืออะไรทุกคนมีชะตาชีวิตจริงหรือไม่ชะตาชีวิตคือแผนผังของชีวิตที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าและผู้ที่กาหนดแผนผังอันนี้ก็คือกรรมของตนเองในชาติก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวอภิสังขารคือเป็นอำนาจสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ใครจะเกิดมาเป็นอะไรจะเกิดในพบไหนหรือในตระกูลไหนจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรกรรมในอดีตได้กำหนดมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดพระพุทธเจ้าเมื่อตอนอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต พวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักราวาลได้มาชูนเชิญพระองค์ให้เสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเทวดาทั้งหลายได้มองเห็นแล้วว่าพระองค์ได้ทรงสร้างบา ร, รมีมาเต็มเปี่ยมถึงขั้นที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วจึงได้มาทูลอัญเชิญพระองค์และก่อนที่พระองค์จะรับคาของเทวดาทั้งหลาย พระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาดูบรารมีของพระองค์แล้วทรงเห็นว่าพระองค์มีบรารมีเพียงพอจึงทรงรับคําของเทวดาทั้งหลายแล้วก็ทรงจุติจากสวรรค์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุริมหามายาและต่อมาในเมื่อพระองค์ประสูติจากพระคันแล้วได้ห้าวันพวกพรามณ์ทั้งหลายก็พากันทํานายว่า พระองค์จะได้เป็นจั ก, กรพรรดิหรือไม่ก็จะได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตัวอย่างที่เล่ามานี้แสดงให้เห็นว่าตามมติของพระพุทธศาสนาถือว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีชะตาชีวิตกล่าวคือทุกคนมีแผนผังของชีวิตบอกไว้แล้วว่าภายหน้าจะต้องเป็นอะไรและผู้ที่กาหนดแผนผังอันนี้ ก็คือการกระทำของตัวเองในชาติก่อนนั่นเองเรื่องที่เล่ามาให้ฟังนี้บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถือเอาเป็นหลักฐานไม่ได้เพราะพิสูจน์ไม่ได้และอาอจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับท่านที่ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็ขอได้โปรดสงบใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งแยง้งท่านจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสาคัญ ข้อสำคัญมีอยู่แต่เพียงว่าถ้าท่านต้องการอยากจะทราบว่าแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็ควรจะจำเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อหรือไม่เชื่อจนกว่าท่านจะได้ศึกษาถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเข้าใจถูกต้องดีแล้วจึงค่อยวินิจฉัย ชะตาชีวิตไม่ใช่เกิดจากอำนาจดวงดาวแต่การที่โหรทั้งหลายบอกถึงชะตาชีวิตร่วงหน้าได้ถูกต้องก็เพราะการเกิดของคนเรามีความสัมพันธ์อยู่กับการโคจรของดวงดาวทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสถิติไว้ว่าคนที่เกิดในราศีนี้ต่อไปภายภาคหน้ามักจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เมื่อทำบ่อยๆก็มีความชํานาญและหาหลักเกณฑ์ให้ดีขึ้นได้โดยลำดับตำราโหราศาสตร์เกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้คนที่เรียนรู้แต่เรื่องทางโหราศาสตร์ไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมมักจะเข้าใจว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งความจริงแล้วดวงดาวไม่มีอิทธิพลอะไรเลย กรรมหรือ ก, การกระทำที่สะสมไว้แต่ในอดีตชาติต่างหากที่กำหนดชะตาชีวิตของคนเราไว้ชะตาชีวิตของคนเรา น, านั้นเปลี่ยนแปลงได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งสิ้นะพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อมีการเกิดก็มีการดับมีการเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุคือเกิดจากการกระทำของตนเองในอดีตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และผู้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเราเองแต่อย่างไรก็ดีโปรดหนักไว้ให้มากว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ก็เฉพาะแต่ในเรื่องปลีกย่อยเท่านั้น ส่วนเส้นชีวิตที่สำคัญซึ่งการกระทาในอดีตได้กำหนดไว้แล้วนานการกระทาในปัจจุบันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พระองคุริมานเป็นผู้หนึ่งที่การกระทาในอดีตชาติได้กำหนดตัวท่านเองมาแล้วว่าในชาตินี้จะได้สำเร็จเป็นพระราหารันซึ่งชะตาชีวิตอันนี้ไม่มีใครทราบเลย มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบขอได้โปรดสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จไปโปรดใครก็หมายถึงว่าพระองค์ได้ทรงพิจารณาดูบุพกรรมดูชะตาชีวิตดูอุปเทศัยต่างๆทรงเห็นแล้วว่าคู่นั้นสามารถที่จะสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้พระองค์จึงจะสะเสด็จไปโปรด ก่อนรุ่งอรุณของวันที่จะเสด็จไปโปรดพระองค์ุริมานนั้นพระองค์ได้ทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลกทั้งหลายปรากฏว่าในวันนั้นภาพของพระองค์ุริมานปรากฏเห็นได้ชัดในสมาธิเมื่อพระองค์ตรวจ ด, ดูอุปณิสัยก็ทรงทราบว่าพระองค์คุริมานได้สร้างความดีมามากถึงขั้นที่จะได้สําเร็จเป็นพระราหารัน แต่พร้อมกันนั้นก็เคยได้สร้างบาปกรรมในทางปานาติบาตไปมากด้วยและในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่พระองคุริมารจะได้ชาระหนี้บาปให้หมดไปชะตาชีวิตของท่านเป็นเช่นนี้แม่ตัวท่านเองไม่ปราถนาที่จะฆ่าใครมาตั้งแต่แรกก็จริงแต่บาปกรรมในชาติก่อนได้กำหนดมาเสียแล้ว ที่จะให้ท่านต้องกระทำปานาติบาตอีกคนที่สร้างความดีพร้อมกันมากับความชั่วนั้นมักจะมีชะตาชีวิตแบบพระองคุลิมานเสมอแต่อย่างไรก็ดีท่านจะต้องไม่ลืมเป็นไอขาดว่าถ้าพระองคุลิมานไม่เคยสร้างความดีมาอย่างมากมายถึงขั้นที่จะได้สําเร็จเป็นพระราหันแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จไปโปรด หรือถึงแม้จะเสด็จไปก็ไม่สามารถที่จะทรงสอนให้สำเร็จเป็นพระรัหารได้เลยเป็นอขาศพระองคุริมานได้สำเร็จเป็นพระรังหารไม่ใช่เพราะความเป็นโจรแต่สาเร็จพระบุญบา ร, รมีในผลหลังมีมากถึงขนาดว่าแม้จะทําความชั่วถึงขนาดนั้นก็ไม่อาจที่จะยับยั้งอำนาจของความดีถ้าบุญของท่านแม่แรงกินแล้ว แน่นอนเหลือเกินท่านจะสำเร็จเป็นพระราหันไม่ได้เพราะท่านจะต้องถูกเขาฆ่าตายเสียก่อนคนที่เคยเป็นพระราชาผู้ทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมแม้จะได้เคยสร้างบุญบา ร, รมียิ่งใหญ่สักเพียงไรก็ตามแต่ในฐานะที่ยังเป็นปู่ตุยชนและจะต้องรับผิดชอบต่อความสงบสุขของไพ่ฟ้าประช า, ราชทั้งหมดนั้น ในบางครั้งก็เว้นไม่ได้ที่จะต้องกระทำปาณาจิบาตหรือต้องทำบาปกรรมอย่างอื่นทุกคนเมื่อได้สร้างความดีความดีก็ย่อมจะต้องให้ผลตามทางแห่งความดีและเมื่อได้สร้างความชั่วแม้จะกระทำด้วยเจตนาดีเพียงไรก็ตามความชั่วก็ย่อมจะให้ผลตามทางแห่งความชั่วนั้น คนอย่างพระองคุลิมานเคยเป็นพระราชาหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเป็นแม่ทัพผู้ซึ่งจะต้องทำการฆ่ามนุษย์เพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมมาแล้วมากต่อมานิสัยหรือวาสนาอันนี้ยังไม่ได้ลบเลือนไปจากจิตใต้สานึกของพระองคุลิมานฉะนั้นจึงได้มีชะตาชีวิตเช่นนั้นพื้นเดิมของพระองคุลิมาน ไม่ใช่คนใจต่ำไม่มีสันดานเป็นอาทยา ก, กรไม่มีสันดานเป็นอันตรพาลการที่พระองคุริมาเกิดในตระกูลสูงคือเกิดในตระกูลปุโรหิตแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าพระองคุริมาเป็นคนที่เคยทําบุญไว้มากและเมื่อเกิดมาก็ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีอบรมให้เป็นคนมีความเมตตากรุณา ให้เป็นคนกลัวบาปให้มีนิสัยไม่เอาเปรียบหรือรังแกใครเลยพระองคุณิมานเป็นคนที่อบรมง่ายเข้าใจอะไรได้รวดเร็วเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทุกอย่างเมื่อมองดูจากบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยทั่วไปไม่มีวิวแววอันใดเลยที่จะแสดงให้เห็นว่า ตรงคุริมานเป็นคนใจร้ายหรือใจอมหมิตตรงกันข้ามตรงคุริมานเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีลักษณะที่เด่นมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนกล้าหาญเป็นคนถือสัจจะมั่นคงมีความอดทนยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเป็นคนมีไหวพริบ แล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดมากความดีต่างๆที่มีอยู่ในตัวของพระองคุริมานนี่เองเป็นจุดที่ทำให้บรรดาสิทธิ์ของอาจารย์ที่สาปามวกทั้งหลายเกิดความริษยาถึงขนาดที่คิดจะกําจัดให้พ้นไปจากสํานักของอาจารย์ทำไมพระองคุริมานจึงต้องมีชะตาชีวิตอย่างนี้คือถูกคนอื่นริษยาจนถึงขั้นเอาชีวิต โดยธรรมดาไม่ว่าใครถ้ามีอะไรเด่นขึ้นมาก็จะต้องมีคนริษยาไม่มากก็ น, น้อยเรื่องอย่างนี้เป็นของธรรมดาซึ่งต้องมีอยู่เสมอในโลกแต่บางคนถึงจะถูกริษยาก็ไม่มีผลอะไรไม่กลายเป็นเรื่องร้ายแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ใหญ่แม้จะถูกยุแย่เสกเพียงไร ก็ไม่หวั่นไหวไปตามแต่สําหรับพระองค์ุริมาลความริษยาของลูกศิษย์สํานักเดียวกันมีผลถึงกับทําให้อาจารย์ซึ่งรักองค์ุริมาลมากที่สุดก็พลอยเกลียดไปด้วยและเกลียดมากถึงขนาดหาทางขอยืมมือคนอื่นค่าเสียทําไมความริษยาที่คนอื่นมีต่อองค์ุริมาลจึงมีผลมากถึงขนาดนี้ ส่วนของคนบางคนไม่มีผลเช่นนั้นอะไรคือสาเหตุที่ทำให้แตกต่างกันเช่นนี้อันนี้จะเป็นปัญหาที่น่าคิดเหมือนกันอันหนึ่งสาหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าใครจะให้ข้อสังเกตว่าคนบางคนที่ทำความชั่วไว้มากใครๆก็รู้แต่แล้วก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้นั้น เป็นเพราะบุญในหัวหลังคุ้มครองเขาอยู่ถ้าคนไหนยิ่งทำความชั่วมากแต่แล้วก็ไม่เป็นอะไรนั่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงว่าบุญที่ได้ทำไวในชาติก่อนๆ น, นั้นจะต้องยิ่งใหญ่จริงๆพระองคุลิมานฆ่าคนมากกว่าพันแต่ไม่มีใครสามารถฆ่าพระองคุลิมานได้ก็เพราะ ท่านมีบุญอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งคอยคุ้มครองอยู่ซึ่งบุญอันนี้ไม่มีใครมองเห็นนอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นในคำพีได้กล่าวไว้ดังนี้ปัจฉิมภวิกะสัตตาสหิสิเนรุณาโอทริยามานัสสาติอรหตอัตตังอัปัตวาชีวิ ต, ตัขโยนามนัตถิ บุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จเป็นพระรหันในชาตินั้นในเมื่อยังไม่ได้เป็นพระราหันแม้จะถูกเขาพระสุเบนทัพก็ไม่ตายจากธรรมบทภาคสี่เรื่องสังกิตจากสมมเนีนพระองค์คุิมานได้สร้างบุญบารมีไว้มากถึงขั้นที่จะสําเร็จเป็นพระรหันในชาตินั้นซึ่งบุญอันนี้ ได้กำหนดชะตาชีวิตของท่านมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นถ้าจึงแคล้วคลาดมาได้ตลอดไม่มีใครสามารถฆ่าท่านได้แล้วก็บุญของท่านอีกเหมือนกันที่ทำให้พระพุทธเ จ, จ้าต้องเสด็จมาโปรดและมาขัดจังหวะไว้พอดีไม่ให้ท่านได้ทำอนันตเรียกรรมคือฆ่าแม่ซึ่งถ้าหากท่านฆ่าแม่เสียก่อนแล้ว ก็จะเหมือนกับพระเจ้าอาชาติศัตรูกล่าวคือแม้จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลได้ชะตาชีวิตคือแผนผังของชีวิตที่การกระทำในอดีตได้กําหนดมาแล้วการที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงชีวิตของพระองค์คนนีมาหรือชีวิตของใครก็ตามถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องชะตาชีวิต ให้เข้าใจอย่างดีแล้วเราจะไม่มีทางตอบปัญหาเช่นในเรื่องของพระองคุริมาณนี้ได้เลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออธิบายเรื่องนี้โดยสังเขปเสียก่อนมเมล็ดผลไม้ทุกมเมล็ดก็มีชะตาชีวิตเหมือนกันกล่าวคือจากลักษณะของมเมล็ดแต่ละชนิดนั้นทำให้เรารู้ว่าเป็นมเมล็ดพืชชนิดไหน และเมื่อรู้ว่าเป็นเมเร็ตเพื่อชนิดไหนแล้วเราก็พยากรณ์ได้ถ้าหากเรามีความรอบรู้ในเรื่องต้นไม้ต่างๆเพราะนาคดของมันทุกอย่างได้ถูกกําหนดไว้แล้วในเมเร็ตของมันซึ่งจะรู้ได้จากลักษณะของมันนั่นเองและผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของมันก็คือการกระทำของมันเองนาดีต ชีวิตต้นไม้เป็นชีวิตที่ไม่ซับซ้อนไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมฉะนั้นเราจึงสามารถพยากรณ์อนาคตมันได้โดยไม่ยากส่วนชีวิตของคนทําไม่ได้ง่ายเช่นนั้นผู้ที่จะทํานายอนาคตได้ถูกต้องแม่นยํานั้นจะต้องพิจารณาดูหลายแง่เช่นในแง่ของกรรมพันธุ์ในแง่ของสิ่งแวดลอ้อม หรือสภาพของสังคมในแง่ของการศึกษาในแง่ของบุคลิกลักษณะในแง่ของดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ผู้ที่จะเป็นหมอดูได้อย่างแม่นยำจะศึกษาแต่ตำราหมอดูอย่างเดียวไม่ศึกษาเรื่องอื่นประกอบด้วยนั้นจะเป็นนักหมอดูที่ดีไม่ได้การทำนายอนาคตของคนส่วนมาก ก็มักจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมานี้ แต่อย่างไรก็ดีการทํานายอนาคตโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมานี้ยังไม่มีความแม่นยําอย่างเพียงพอกล่าวกันว่าหมอดูแม้จะมีความชํานาญสักเพียงไรก็ตามก็ทายถูกได้อย่างมากไม่เกินหกสิบเปอร์เซนวิธีทํานายอนาคตของพระพุทธเจ้าไม่ได้อาศัยหลักวิชาดังกล่าวมานี้เลย พระพุทธองค์ทรงมีวิธีการที่ดีกว่านั้นพระองค์ทรงสามารถที่จะรู้และเห็นเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจนฉะนั้นจึงทรงทํานายได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดเลยวิธีดูของพระพุทธเจ้าก็คือดูจากภาพที่ปรากฏในสมาธิผู้ที่จะทําได้จะต้องได้สมาธิสูงมาก การดูโดยอาศัยสมาธิที่ว่าแม่นยำชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วนก็เพราะหลักวิชามีอยู่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายซึ่งหมายความว่าเรื่องต่างๆที่จะปรากฏออกมาภายนอกให้เห็นได้ด้วยตานั้นจะต้องออกมาจากจิตใจ และก่อนที่จะออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนในภายนอกนั้นมันได้มีเข้าโครงหรือแผนผังปรากฏอยู่ในใจก่อนแล้วเช่นเดียวกับนายช่างสร้างบ้านรูปร่างของบ้านที่เขาได้สร้างขึ้นมานานแต่เดิมทีเดียวมันได้ปรากฏเป็นบ้านที่อยู่ในลักษณะของนา ม, มาธรรมซึ่งได้มีอยู่ในจิตใจของนายช่างก่อนแล้ว ทุกอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นวัตถุนั้นอยู่ในกฎอันนี้เสมอและเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอีกหลายสิบปีจึงจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นแท้ที่จริงมันก็ได้มีเข้าโครงอยู่ในจิตใจก่อนแล้วพระพุทธเจ้าและผู้ี่ได้ชานขั้นสูงทุกคนมีความสามารถในการที่จะดึงดูดเอาภาพ ที่มีอยู่ในลักษณะของนามธรรมนั้นให้ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นมโนภาพอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เสมอหรือจะดูย้อนหลังไปก็ได้โปรดสังเกตว่าถ้าทุกคนไม่มีชะตาชีวิตซึ่งหมายความว่าถ้าทุกคนไม่ได้ถูกกําหนดมาแล้วจะด้วยอะไรก็ตาม ที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดชีวิตของคนทุกคนแล้วหมอดูที่จะทํานายชะตาชีวิตโดยอาศัยวันเดือนปีเวลาคลอดหรือจะอาศัยการดูบุคลิกลักษณะก็ตามจะเกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้คนที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์อยู่บ้างจะรู้ว่าทุกคนมีชะตาชีวิตและถ้าหากเรามีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งจะมีความแน่ใจยิ่งขึ้นอีกว่าใครจะเกิดมาเป็นอะไรทุกคนได้ถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดจากชีวประวัติของพระพุทธเจ้าและของพระองคุริมานเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องชะตาชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริงข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า การที่พระองคุริมาลสามารถฆ่าคนได้มากไม่ใช่เพราะสันดานของพระองคุริมาลต่ำแต่เป็นเพราะเหตุที่พระองคุริมาลเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีเป็นคนมีกำลังทางร่างกายแข็งแรงมากเป็นคนกล้าหาญและเป็นคนที่มีความอดทนยอดเยี่ยมคนที่มีความดีอยู่ในตัวมาก เช่นพระองค์ุลิมาณี้ถ้าเกิดความเข้าใจผิดและใช้ความดีไปในทางที่ชั่วเช่นใช้ความฉลาดใช้ความกล้าหาญใช้ความอดทนไปในทางปานาติบาตเช่นพระองค์ุลิมานนั้นย่อมเป็นเหตุให้ทําความชั่วได้มากและยิ่งกว่านั้นบุญบรารมีที่พระองค์ุลิมาได้สร้างสมอบรมมาสูงมาก ถึงขั้นที่จะทำให้เป็นพระรหันในชาตินั้นบุญเหล่านี้ยังคุ้มครองอยู่ด้วยเหตุนี้พระองคุลิมาจึงสามารถฆ่าคนได้มากและไม่มีใครสามารถจะฆ่าพระองคุลิมาได้การพิจารณาดูชีวิตของคนเราจะต้องพิจารณาหลายแง่อย่ายึดมั่นแต่ในแง่ใดแค่หนึ่งโดยเฉพาะบุคคลส่วนมากสงสัยว่า ทำไมพระองค์ุริมาลทั้งที่ฆ่าคนมามากมายจึงสามารถเป็นพระรหันได้ที่สงสัยกันเช่นนี้ก็เพราะนึกถึงแต่หลักว่าคนที่จะสําเร็จเป็นพระรหันได้นั้นจะต้องมีจิตใจสูงมากแต่พระองคุริมาลฆ่าคนมากซึ่งทําให้คนทั้งหลายมองเห็นว่าท่านต้องมีใจโหดเหี้ยมมากรู้สึกว่า มันขัดกับหลักที่กล่าวมาแล้วจึงได้เกิดความสงสัยแต่ถ้าแยกแยบปัญหานี้ออกพิจารณาหลายๆแง่ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพระองคุริมาไม่ใช่เป็นคนมีพื้นจิตใจต่ำเลยตรงกันข้ามพระองคุริมามีจิตใจสูงมากพระองค์คุริมาเป็นคนที่ถือสัจจะเข้มแข็งมาก ถ้าลงรับปากกับใครแล้วแม้จะตายก็ไม่ยอมเสียสัตว์คุณธรรมอันนี้โดยธรรมดาจะมีอยู่เฉพาะในบุคคลชั้นสูงเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลที่มีความภูมิใจในความดีของตัวเองอย่างสูงเท่านั้นส่วนคนธรรมดาสามัญถ้าหากว่าจะต้องตายหรือจะต้องเสียทรัพย์หรือเสียชื่อหรือเสียอะไรก็ตาม ก็มักจะยอมเสียสัตว์มากกว่าจะยอมเสียสิ่งเหล่านั้นคุณธรรมอันนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยการที่พระองคุริมานฆ่าคนได้มากก็เพราะไปรับปากกับอาจารย์ว่าจะต้องฆ่าคนให้ถึงพันถ้าลองคิดดูให้ที่ท่วนก็นแล้วกันว่าเป็นงานที่ฝ่าอันตรายด้วยการเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนับเป็นร้อยๆครั้ง ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีสัจจะมั่นคงจริงๆแล้วก็คงจะเลิกไปเสนานแล้วนี่แหละความดีที่ถูกใช้ไปในทางชั่วย่อมเป็นเหตุทำให้ประกอบกรรมชั่วได้มากเช่นนี้เสมอที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าถ้าองคุริมาลไม่ใช่เป็นคนมีสันดานต่าหรือสันดานเหี้มโหดนั้นท่านจะเห็นได้จากลักษณะอันหนึ่งของท่าน กล่าวคือพระองคุริมานนึกอยู่เสมอว่าถ้าข่าคนได้ครบพันคนเมื่อไรตามที่อาจารย์สั่งก็จะเลิกไม่ใช่คิดว่าจะทําอยู่เสมอไปพระองคุริมานนอกจากจะเป็นคนที่มีสัจจะมั่นคงที่สุดแล้วยังเป็นคนที่เคารพอาจารย์อย่างสูงอีกด้วยเมื่อคราวที่พระองคุริมานได้พบพระพุทธองค์ และพระองค์ได้ให้สติแก่พระองคุริมาลว่าองคุริมาลเราหยุดแล้วท่านซิยังไม่หยุดพระองคุริมาลสงสยัยพราตัวท่านเองวิ่งตามพระพุทธเจ้าไม่ทันจะกระทั่งเด็ดเหนื่อยหมดกำลังส่วนพระพุทธองค์ยังคงสเสด็จ ด, ดำเนินไปเรื่อยๆจึงได้เกิดความสงสัยและคิดอยู่ในใจว่าโดยธรรมดา พวกพระสมาณะสากยาบุตรไม่เคยโกหกทำไมพระองค์นี้จึงโกหกพระองคุณิมาลไม่รู้จักว่าพระที่ตนเองไล่จับอยู่นั้นคือพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าเป็นพระองค์หนึ่งในจําพวกพระสมาณาโคดมและคิดว่าพระพุทธเจ้าพูดเท็จจึงได้พูดออกไปว่าเป็นพระสมาณะสากยาบุตรทําไมจึงโกหก ทั้งที่เห็นอยู่ว่ากําลังเดินยังพูดออกมาได้ว่าเราหยุดแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงหันมาตอบพระองคุริมาว่าเราหยุดจากบาปท่านสิยังไม่หยุดคําพูดเพียงเท่านี้สามารถทําให้พระองค์ุริมาได้สติทันทีแล้วเริ่มพิจารณาดูลักษณะของพระองค์ท่านก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่า ชรอยจะเป็นพระพุทธเจ้าพระสมณาโคดมผู้เสด็จออกทรงผนวดจากตระกูลศั ก, กะยะซึ่งใครๆ ย, ย, ยกย่องและบูชาตัวท่านเองเคยได้ทราบกิติศัพท์มาก่อนตั้งแต่ในสมัยที่ยังอยู่กับพ่อแม่ในกรุงสาวัตถียิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งแน่ใจยิ่งขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็ทิ้งดาบ แล้วเข้าไปหมอบกราบอยู่แทบพระบาทของพระพุทธองค์พร้อมกับกราบทูลว่าเป็นเวลา น, านานเหลือเกินกว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรดท่านผู้อา ล, ลองพิจารณาดูให้ถีท่วนถ้าพระองค์คุริมานเป็นคนที่มีสันดานยากจริงๆแล้วคำพูดเพียงสั้นๆว่าองค์ุริมานเราหยุดแล้วเราหยุดจากบาปท่านสิยังไม่หยุด เพียงเท่านี้จะทำให้พระองคุรีมานทิ้งดาบได้หรือและหลังจากที่พระองคุลีมานสานึกตัวได้แล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนอย่างไรพระองคุรีมานจะเข้าใจได้ยินดีปฏิบัติตามทุกอย่างอย่าลืมลักษณะที่เด่นที่สุดอย่างหนึ่งของพระองคุรีมานคือถือสัจจะมั่นคงลงว่าตั้งใจจะทาอะไรแล้ว เป็นต้องทำให้ได้แม้จะตายก็ไม่ยอมเสียความตั้งใจคนทุกวันนี้มีสัต์จา ก, กันอย่างไรคนทุกวันนี้มีความรู้มากแต่ก็มีเหตุผลมากซึ่งทำให้เปลี่ยนความตั้งใจและเสียสัจบ่อยๆและก็ยังถือตัวว่าตัวเป็นคนดีอยู่นั่นเองพระองค์คณิมาณมีความดีขั้นสุดยอดหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอย่างคนสมัยปัจจุบันเอาอย่างไม่ได้เลยพระองคุริมาเกิดการเข้าใจผิดก็เพราะความเคารพเชื่อฟังในอาจารย์และพระองคุริมาฆ่าคนได้มากก็เพราะท่านมีความดีหลายอย่างและใช้ความดีนั้นไปในทางชั่วจึงมีโอกาสทำความชั่วได้มากคนโง่ททำความชั่วทำได้ไม่มาก เพราะทำได้ไม่นานก็จะถูกเขาจับได้ส่วนคนฉลาดทำความชั่วย่อมทำได้มากเพราะทำได้แนบเนียนคนอื่นจับไม่ได้หรือทำอะไรเขาไม่ได้